ติขาบทวิพังห5าร้อาคำว่าก็ภิกษุ ร, รับนิมนต์ฉันในตระกูลความว่าที่ชื่อว่าตระกูลหมายถึงตระกูลสได้แก่ตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ตระกูลแพทย์ตระกูลสูตรคำว่ารับนิมนต์ฉันคือภิกษุ ร, รับนิมนต์ฉันโภชนะหอย่างได้อย่างหนึ่งที่ชื่อว่าภิกษุณีได้แก่มาตุคามที่อุปสมบทในสงฆ์สองฝ่าย ที่ชื่อว่าบงการคือภิกษุนีคอยบงการว่าพวกท่านจงถวายแกงทีน่นี้ถวายข้าวสุกทีน่นี้ตามความเป็นมิตรตามความเป็นเพื่อนตามความใกล้ชิดตามที่เป็นผู้ร่วมพระอุปชาตามที่เป็นผู้ร่วมพ่าจา์กันมานี้ชื่อว่าผู้บงการคำว่าภิกษุเหล่านั้นได้แก่ภิกษุผู้กำลังชัน้นคำว่าภิกษุนีนั้นได้แก่ภิกษุณีผู้บงการภิกษุเหล่านั้นพึงไล่ภิกษุนีนั้นไปด้วยกล่กลาวว่า น้องหญิงเธอจงหลีกไปตราบเท่าที่ภิกษุทั้งหลายยังฉันอยู่ถ้าไม่มีภิกษุแม่รูปหนึ่งว่ากล่าวภิกษุรับมาด้วยคิดว่าจะเคี้ยวจะฉันต้องอบัตทุกกฏฉันต้องอบัตปาทิเทสนิยะทุกๆคำกลืน